อนนาวาเสษะศิกขาปะดะปัญหาคือคือเกี่ยวกับเรื่องศิกขาบทเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสิกษาบทปัญหานี้ก็นับว่าสำคัญนะนะว่าเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยไม่ใช่น้อยนะคือคือคือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังคำของพระนาคเกนเนี่ยเราก็จะคิดแบบพระพระเจ้ามิลินเนี่ย ซึ่งมันเป็นมันน่าคิดะนะมันน่าคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันยูจริงหรือคำพูดอะไรนี่เป็นคำถามเพื่อที่จะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดจริงหรือเนี่ยนะพระขุณเจ้าบรรดาอาจารย์ของพวกแพทย์ทั้งหลายแต่ปางก่อนก็มีอยู่เช่นท่านนารถธรรมตรีอังคีรศักดิปิะกันอ่กนดรัชีท่านสามะอัตุละหรือว่าปุพระกัจจายนะ ถ้าเป็นพวกเราก็รู้จักเช่นพวกหมอชีวกเป็นต้นนะนะพวกหมอชีวกหมออะไรทั้งหลายเนี่ยนะอาจารย์เหล่านี้แม้ทุกท่านก็รู้จักความเกิดขึ้นของโรคโรคนี่มันเกิดจากอะไรเหตุให้เกิดโรคคืออะไรสภาวะแห่งโรคเป็นยังไงสมุดฐานของโรคเป็นยังไงวิธีวิธีบำบัดโรคเป็นยังไงกิจที่ควรดำด้วยโรคนั้นหรือโรคที่รักษาสําเร็จหรือไม่สําเร็จได้ทุกอย่างในคราวเดียวกัน เช่นหมอพวกเก่งๆเหล่านี้รู้เลยว่าโรคเท่านี้จะเกิดขึ้นในร่างกายนี้เป็นต้นเหมือนอย่างผูกเส้นได้ทําให้จับกันเป็นพวงๆในคราวเดียวกันฉะนั้นอาจารย์เหล่านี้ทุกท่านก็หาได้เป็นสัพพันยูย ไ, มไม่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยนะแต่เพราะเหตุไรประเด็ น, ป ร, ดนประเด็นตรงนั้นก็ยอมรับว่าหมอบางคนนี่เขาเก่งจริงแหละเขาเก่งสามารถบอกได้โรคนี้คืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะเล่าให้ฟังได้หมดวิธีรักษาใช้อะไรอะไราบอกได้หมดเลย เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าซะหน่อยเ ข, า, เขาพูดได้ขนาดนั้นะนะเขารู้จริงขนาดนั้นแต่เพราะเหตุไรพระตถาคตผู้ทรงเป็นพระสัพพันยูรู้กิจที่ควรทำในอนาคตกำหนดได้ว่าจากมีสิรษาบทที่เราต้องบัญญัติเท่านี้ในวัตถุเท่านี้ดังนี้แล้วก็ไม่ทรงบัญญัติศิรษาบทให้หมดสิ้นเสียทีเดียวเล่าถ้าพระพุทธเจ้ารู้จริงะนะ ตอนแรกเลยก็ประกาศสิกขาบทเพื่อออกไปเลยว่าศาสนาของเรามีสิกขาบทอยู่เท่านี้ไร่มาเลยปาราชิกเช่นนะปาราชิกสีสังฆาทิเศสามานิยตสองเป็นนนทรมาเลย น, นะไ ม, ไ ม, ไม่บัญญัติออกมาเลยพวดไปเลยอย่างเงี้ยนะทำไมไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทให้หมดสิ้นซะทีเดียวเลยล่ะต่อเมื่อมีเหตุมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้ว ความผิดแพร่ไปมากมายแล้วคนทั้งหลายติเตียนแปลว่าถูกด่าแล้วนะจึงได้บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายในการครั้งนั้นๆพระสาวกเนี่ยถูกเขาด่ากันซะจนยับเยินหมดแล้วจึงบัญญัติสิกขาบทในตอนหลังเหมือนอะนะนะปัญหานี้ก็บอกเหมือนกับพระ อ, องค์ไม่รู้จริงนะเป็นเป็นลักษณะสงสัยในลักษณะนั้นอ่ะนะนะคือถ้ารู้จริงอะไรที่จะสร้างความเสียหายให้เนี่ยนะพระ อ, องค์ก็บัญญัติไปเลยสิ พระองค์น่าจะบัญหยัดเสกขาบทมาก่อนก่อนที่พระสุทินจะไปเป็นปราชิกแล้วเสียหายหมดเลยนะหรือก่อนที่หลายๆคนจะไปทําผิดพลาดทำไมไม่บัญหยัดเสกขาบทขึ้นมาก่อนอนะเรื่องบางเรื่องก็เสียหายมากมายมหาศาลเรื่องอ่าหลายๆเรื่องเนยนะทําไมพระองค์ไม่บัญญัติขึ้นมาก่อนเลยล่ะถ้าเป็นสัพพัญญูจริงอันนี้คำถามเกี่ยว่าสงสัยว่าความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีจริงอยู่หรือรอ่างนั้นเถอะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับสงสัยในความสามารถของพระพุทธเจ้า พระนาเกษมก็ตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิธพระตถาคตทรงทราบความข้อนี้ว่าในสมัยนี้จะมีสิกขาบทที่เราต้องบัญญัติในคนทั้งหลายเหล่านี้อยู่เช่นปฏิโมกเน้นนะสมัยก่อนสัวนร้อยห้าสิบกว่าข้อดังนี้แต่ถ้าว่าพระตถาคตทรงนรําเรทอย่างนี้ว่าหากเราจะบัญญัติสิกขาบททั้งหลายร้อยห้าสิบกว่าข้อในคราวเดียวกันไซสมหาชนก็จะพ้นพึงใจ บางคนนี่ไม่ยอมบวชก็เพราะเห็นวินยวัยปิฎกในแหละไม่ยอมเลยนะเพราะฉะนั้นก็พรื่งใจเลยมาโอ้โสะเทือนใจเลยนะบอกสิกขาบทที่ต้องรักษาในพราศาสนานี้มีมากมายเจ้ประคุณเอ้ยอันการที่จะบวชในพราศาสนาของพระสมณะโคโดมเนี่ยเป็นกิจที่ทําได้ยากเสีย จ, จริงเนาะเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยอย่างคารวาสมาทีแรกเลยไม่ใช่ให้สอนวินยวัยปิฎกเลยนะสอนละเอียดขนาดนั้นเขาไม่ยอมบวชและอนุาสาวร์แปดเนี่ยต้องบวชเสร็จแล้วนะค่อยให้ ห้ามให้ก่อนบวชอีกบางคนเนี่ยเขามีสมัยก่อนอนุาสาตแปดเนี่ยนะก่อนบวชนี่ให้อนุาสาตเลยบพราะนืงการณียกิจเสีกรณียกิจสีเนี่ยนะให้เสร็จแล้วคนไม่บวชเลยได้ครั้งพับโอ้ไขไปทําได้ไม่บวชแล้วเนี่ยนะก็ต้องตอนหลังพรวกเก็บอกว่าอนุญาตให้บอกว่าบวชเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกอนุาสาตแปดอย่างงี้ยนะนี่แค่อนุาสาตเนี่ยนะถ้าจะกล่าวไปยายถึงอะไรนะ ปาฏิโม 2, กต์ตั้งร้อยี่สิบรอยกว่าข้อเนี่ยนะหรือว่านภิกขุปาติโม150กต์ร้อยห้าสิบกว่าข้อเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์บอกบัญญัติไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยนะปฐมโพธิการบัญญัติมาขนาดนี้บวชกันร้องครับ <c oughs> ดังนี้แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้พวกที่อยากบวชก็ไม่กล้าบวชทั้งจากไม่เชื่อคําของพระพุทธเจ้าด้วย <c oughs> เกินไปใครจะไปทําได้ใช่เกินไปยัางสมัยนี้ก็เหมือนกันสมัยนี้ออกมาพูดกันเต็มปากเต็มคํา ใครจะไปทําได้เขางั้นพูดเต็มปากเต็มคํากันไม่ใช่น้อยว่าใครจะไปทําได้แล้วก็เลยกลายเป็นว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะไม่เชื่อละเมื่อไม่เชื่อถือคนเหล่านั้นก็จะไปสู่อบายะพุ่คือเมื่อไม่เชื่อว่าเป็นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะเมื่อไม่เชื่อว่าศีลมีอยู่จริงอ่ะเขาจะทํำยังไงก็ทุศีลสิเมื่อไม่เชื่อว่าเป็นศีลก็ทุศีลเมื่อทุศีลจะไปไหนเนี่ยนะก็อบาย เพราะฉะนั้นเมื่อวัตถุคือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราคือพระพุทธเจ้าจับทํารรคนเหล่านั้นให้เข้าใจด้วยธรรมเทศนากล่าวว่าจะสอนจะชีโะช้โทษกร่าวว่าชี้โทษแห่งการคลุกคลีโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากเป็นต้นแล้วแสดงอ น, นิสงฆ์แห่งการไม่คลุกคลีอ น, นิสงฆ์แห่งความเป็นผู้เลี้ยงง่ายเส็จแล้วก็บัญญัติศิกขาบทในเมื่อโทษมีปรากฏอยู่เท่านั้นดังนี้ คือเมื่อมีโทษมีเรื่องมีราวมีความเสียหายที่เห็นเห็นกันอยู่จึงอาศัยเหตุการณ์เรื่องราวที่เห็นเห็นเนี่ยแล้วค่อยสอนถ้าพูดแบบคนสมัยใหม่เนี่ยคนสมัยใหม่เป็นเป็นนักถักถางนิยมเนี่ยนะเรียกว่าอาจจะบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกนะนะแต่จริงๆแล้วหมายความว่าต้องมีเรื่องก่อนแล้วยังยังค่อยบัญญัติแล้วมันจะบัญญัติไม่ยากบัญญัติง่ายแต่ถ้าบัญญัติก่อนมีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นบัญญัติก่อนมีเรื่องเนี่ยไม่มีใครเขาเชื่อถือนะ อย่างที่บอกว่าในในอุปมาหลายแห่งก็บอกว่าก็เหมือนอย่างว่าเนี่ยนะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนเหมือนหมอจะรักษาโรคเนี่ยนะต้องต้องรอให้โรคมันกําเริบก่อนค่อยรักษาใช่ไหม<ะ>ถ้าโรคไม่กําเริบก่อนนะเรียกเขามารักษาเขาไม่มาหรอกใช่ไหมหลายหลาคนเนะี่ยอย่างนี้อย่างที่คุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าฟันเนี่ยนะต้องปวดกันก่อนแล้วค่อยมาหาหมอฟั น, นอะไรอ่างเงี้ยโดยมากเป็นอย่างนั้นพวกเข็ดเขี้ยวเรื่องเรื่องเจ็บฟันแล้วนะพวกนี้จะไปค่อนง้างไปหาหมอฟันนันเรื่องบ่อย คือเข็ดจากเข็ดหลาบจากอะไรนะจากปวดฟันแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมยถ้าไม่ปวดสุดๆเนี่ยมันก็ยากคราบท่า น, นที่จะไปแล้วหมอก็บอกว่าอะไรนะปวดแล้วมันทําอะไรท่านไงปวดแล้วมันทําอะไรได้ท่านเลยล้วว่ามันกําเริ่มเรียกว่ามันหนักนะสาหัสแลยครับว่านเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทีนี้พระเจ้าไมิลินก็ยอมรับว่าตอบดีอย่างนะในอัตกถาอธิบายเพิ่มเล็กน้อยที่บอกว่า ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยแล้วคนไม่เชื่อเนี่ยนะเมื่อไม่เชื่อพระวินัยที่พระองค์บัญญัติก็ไม่มีการปฏิบัติตามเมื่อไม่มีการปฏิบัติตามศีลก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไปอบายศีหลังจากตายเพราะกายแตกเนี่ยนะถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ก, ก็ล่วงศีลนะเมื่อล่วงศีลก็อะไรใช่ไหมหลงทำกาละหลงทำกาละแล้วก็อบายศีแบบนนะตรงกันข้ามกับอ น, นิสงส์ของศีลนั่นเอง พระเจ้าเมลินก็ยกย่องว่าพระกุณเจ้ามนาคเสนพระสัพพัญยุตยานของพระตถาคตยิ่งใหญ่เพียงใดข้อนี้จัดว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศ จ, จรยนะ ร, จยยจร ย, ย, นะแยนะ์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงๆนะนะโอ้คำนี้พระเจ้าเมลินได้บุญเยอะเลยจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าอัจฉริยะเนี่ยนะคือคือน่าแปลกมากเลยนะแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระคุณเจ้าหน้ากเกษนข้อนี้เป็นอย่างที่ท่านกล่าวมานี้บอกว่าถูกต้องจริงๆแม้แต่สมัยใหม่เนี่ยการจะร่างกฎหมายบัญญัติกฎหมายบางเรื่องต้องรอให้เกิดก่อนนะจึงจะบัญญัติออกมาเป็นกฎหมายได้ไม่งั้นนี่ประท่วงแหลกเลยนะบัญญัติอะไรออกมาอย่างเงนะใช่ไหมต้องรอบางเรื่องในะต้องให้มีเหตุมีอะไรอันสมควรก่อนแล้วจึงจะประกาศเป็นกฎหมายมาใช้ได้นี่นะ ก็สรุปว่าก็เป็นอันว่าพระธราโคตนี้ทรงแสดงไขความข้อนี้ไว้ดีแล้วว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้สดับว่าสิกขาบทที่พึงศึกษาในศาสนานี้มีมากมายอย่างนี้แล้วก็ถึงถึงความพรั่นพึงใจสมัยนี้ใครได้อย่างมากคารวะอ่านวินัยปิฎกโดยมากไม่บวชเชืยวเนี่ยแต่นิยมพูดวินัยให้พระภิกษุฟังเนี่ยนะ อันนะเนก็เลยก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยนะพระก็ว่าโยมไม่รู้เรื่องโยมก็ว่าพระไม่รู้เรื่องอ่ะนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่รู้ใครเป็นใครเพราะฉะนั้นก็เลยไอ้ที่ตัวเองก็บอกบวชทําได้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะนะคนที่พูดบางทีคารวะาพูดวินัยอ่ะนะก็ะยังสงสัยว่าเออน่าจะมาบวชบ้างนะดูที่ว่าจะทํำยังไงว่างั้นอ่ะนะบางอย่างนะอ่านนะทุกอย่างตีแข้งไว้หมดเลยนะบางทีอ่ะนะก็บอกแข่งขนาดไหนก็ได้เพราะตัวเองไม่ได้รักษาเนี่ยจะไปยากอะไรยังไงบางเรื่อง คือบางอย่างมันมีตั้งแบบอนุโลมอะไรคือคือบางอย่างมันก็ไม่ไแบบอะไรนะคือมันมันมีหลายระดับชั้นอ่ะนะอย่างคล้ายๆกับทุดงเนี่ยทุดงมันมีอย่างเพลาอย่างกลางแล้วก็อย่างอุเกฤตบางอย่างถึงจะอยู่เพลาอยู่ก็มันยังไม่ได้เป็นอาบัตอะไรแต่บางคนก็ต้องอต้องระดับนี้เท่านั้นอ่ะนะซึ่งเรียกว่าสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเทวดาก็ยังทําตามไม่ได้ครับงั้นคือบางบางทีเนี่ยคนที่ตีความพระวินัยเนี่ยบางทีก็น่ากลัวมากๆจนตีจ น, จนไม่มีใครทําได้ อย่างบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยนะมาใ้ถึงพระบางองค์เขาจะได้เหตุผลที่จะลาศึกนี่เขาทำยังไงรู้ไหมอุ้ยวินัยนะ้นสิกขาบทนี้ก็ยากสิกขาบทนั้นก็ยากอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องอันนี้อู้อยู่ต่อตกนรกแน่นอนศึกหือเ่ะจริงอะอยากศึกมาตั้งนานแล้วก็หาเหตุอันสมควรอะนะก็เลยศึกเลยเนี่ยนะอันนี้ก็มีเนี่ยนะอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลก ว่าอะไรจะวิจิตเท่ากษัตริย์โลกไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะดันก็บอกว่าก็จะพรั่นเพริงเมื่อพรั่นเพริงก็ไม่กล้า บ, บวชในพระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยนะก็ไม่บวชเนี่ยนะสรุปว่าพระเจ้าไม่ลินยอมรับว่าท่านาคเสนตอบดีนะดีจริงๆอเออพระพุทธเจ้าเป็นสัพพันธ์อยู่จริงๆถ้าเกิดว่าแม้สู่แรกพระวินัยบัญญัติตั้งต่อไปนี้คือเนี่ยนะ หนึสองสามสอย่างเช่นยกปาติโมกมาแสดงขึ้นเลยเนี่ยนะแล้วก็ประกาศเป็นวินัยปิดกทันทีเลย2องหมนึ่งพันพระธรรมคันออกมาเป็นขึ้นต้นว่าวินัยปิดกเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นยากเหมือนกันนีแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนกุศลกรรมบทพระพิสุรุ่นแรกๆจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนกุศลกรรมบทนะรุ่นแรกๆเลยนะ ร, น ร, ยนะรุ่นแรกๆรุ่นสมัยพุทธกาล ร, รุ่นปฐมโพธิการแรกๆเลย ศีนเนี่ยพระองค์สอนกุศลกรรมบทเป็นบาศแล้วก็เพราะว่าถ้ารักษาสุกุศลกรรมบทดีเยี่ยมแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาละแต่ทีนี้ไอเรื่องราวลหลายๆเรื่องทั่วไปเนี่ยมันเป็นความเหมาะสมของคนที่อยู่ในศาสนาแต่ว่าตัวหลักๆของศีลจริงๆก็คือกุศลกรรมบทส่วนไอารายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็คือเพื่อความเลื่อมใสของพวกที่ยังไม่ เลื่อมสายหรือว่าเพื่อการข้อคอรหาการตันหาเรื่องราวเดือดรอ้อน ห, หลายอย่างพ้ อ, องก็เลยบัญญัติขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งเพราะคารวะที่กุศลกรรมบท10ดีก็บรรลุมรคผลได้ใช่ไหมพระพิสุในรุ่นแรกๆก็เหมือนกันกุศลกรรมบทท่านดีเยี่ยมแต่รุ่นหลังๆเนื่องจากว่าหมู่คณะใหญ่โตขึ้นมันก็มีปัญหาทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหมู่คณะทำยังไงก็ต้องบัญญัติมาเป็นเสขาบทบางทีเนี่ยก็มีผู้ที่บวชนานมากบวชใหม่ มันมีทั้งบวชเก่าบวชกลางแล้วก็บวชใหม่ก็ต้องมีพระวินัยบัญญัติมารองรับบางทีลาบส ก, การะมันเกิดมากอะ่ะก็ต้องมาจัดระเบียบเนี่ยนะเรียกว่าจัดระเบียบพวกเข้าเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์อันนั้นแหละคือพระวินัยบัญญัติก็คือจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวข้องกับข้าวของเครื่องใช้วัตถุอะไรทั้งหลายแหละ ก็เป็นที่มาของพระวินยัยเช่นบางอย่างก็วินัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าเครื่องนองหอมทั้งหลายวินัยบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่วินัยบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาหารวินัยบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องลูกศิษย์กับอาจารย์วินัยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ณะขั้นตอนแรกๆเนื่องจากทุกคนเป็นคนดีหมดก็บอกว่านี้กุศลกรรมบทเป็นอย่างนี้นะบอกกายสุจริดวจีสุจริตนี้อย่าทําทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เมท่านก็ปฏิ บ, บัติบรรลุแล้วเนี่ยนะก็ยังว่านะบุญมันต่างกัน